เรื่องอุบาสิกา6 1สสมัยนั้นพวกอุบาสิกาพบภิกษุแล้วนิมนต์ว่าพระคุณเจ้าขอเนมน์พระคุณเจ้ า, ออจาแสดงธรรมเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะพวกอุบาสิกากล่าวว่าข อ, อนิมนพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดแสดงธรรมสักหถึงหกคำก็ได้แม้เพียงเท่านั้นพวกดิฉันอาจเข้าใจทําได้ พวกพิสูุนก็ยังปฏิเสธว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะพากันยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมแสดงคำพวกอุบาสิกาจึงพากันตำหนิประนามโพลธนาว่าฉันให้พระคุณเจ้าทั้งหลายพวกเราอารัธนาอยู่ยังไม่ยอมแสดงคำพวกพิสูจ์ได้ยินอุบาสิกาตำหนีประนามโพลธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ